หรือทำให้แปลกไปอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเอาสิ่งเหล่านี้เป็นหลักคิดแยกออกไปและสำหรับเทียบเคียงเท่านั้นเองสิ่งที่เขายึดถือว่าเป็นตัวตนของเขานั้นจึงไม่มีอะไรนอกไปจากสิ่งที่อยู่ในข้อหนึ่งถึงสี่คือกามภพทิฏฐิและอวิชชาเท่านั้นเองซึ่งทั้งหมดอยู่ในขันห้าสิ่งเหล่านี้นอกจากไม่มีตัวตนแล้วยังเป็นพลังผลักดันที่อยู่พ้นอานาจควบคุมของเขาด้วย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 ท่านกำหนดเฉพาะอาสวะที่เป็นตัวเจ้าของบทบาทเด่นชัดท่านไม่ระบุทิฏฐาสวะเพราะอยู่ระหว่างอวิชากับภะวาสวะกล่าวคือทิฏฐาสวะอาศัยอวิชาเป็นฐานก่อตัวแล้วแสดงอิทธิพลออกทางภะวาสวะส่วนในอภิธรรมท่านต้องการจำแนกให้ละเอียดจึงแสดงเป็นสีจึงเห็นได้ว่าอาสวะต่างๆเหล่านี้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 ตามความต้องการของตอนเป็นตน้น